วิสัญชาธรรมกับท่านหลวงตานรักษณ์ขีนาฬโยตอนรู้แล้วละรู้แล้ววางตอนที่สอง คิดว่าถ้าเราเอาคํานี้คีย์เวิร์ดคำนี้ไปไปใช้ไปไปไปนึกตลอดเนี่ยมันก็คงจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ได้ได้ดีขึ้นนะเพราะว่ามันจะพอมันเหมือนกับว่าที่ดวงตาบอกว่าเป็นสังขารเนี่ยคือถ้าถ้าเราเราย อ, ยอมรับว่าเดี๋ยวมันก็ต้องคิดนะฮะคิดไปนอกเรื่องเนี่ยเราก็คิดแล้วเรารู้ปุ๊บกปล่อยเลย กลับมาอยู่ปัจจุบันเลยก็กล่าวว่าเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะเอาไปใช้อันนี้ก็คราวนี้ว่า ก, ก, ก็มีความคิดว่าถ้าอยากอยากจะเรียนถามว่าเราต้องพยายามหาเครื่องอยู่หรือว่าหรือว่าปล่อยเป็นธรรมชาตินะคือในอาชีพปัจจมันเนี่ยควรจะหาเครื่องอยู่ไหมหรือว่า หรปล่อยเป็นธรรมชาติเลยรู้หลงไปแล้วก็ค่อยปล่อยเลยถ้าร oui> uh ู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยอยู่กับรู้ปล่อยนั่นแหละนั่นแหละติดเรารู้สึกไว้ในใจโดยแยบคลายตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรปล่อยวางตลอดเวลาเลยตัวเราไม่มีจริงไม่ต้องมาหาเครื่องอยู่ให้แก่ตัวเรา ไอ้ตัวที่รู้ปล่อยรู้ปล่อยเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันคือในปัจจุบันไม่จับไอ้ยึดอะไรไว้เลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่หลุดไปคิดปรุงแต่งเรื่องใดๆเลยมันคิดขึ้นมาก็รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปมันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้แล้วก็ปล่อยไปมันคิดอะไรขึ้นมาเรารู้เราเห็นว่ามันคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้รู้ก็ตอแต่วันรู้เฉยไม่ได้ไปรู้ทําอะไรไม่เข้าไปจับไปยึดรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยทุกขนานไอ้รู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ เราคิดว่าเหมือนกับไม่มีเครื่องอยู่เราไม่ต้องไปหาเครื่องอยู่เสริมถ้าเรารู้ปล่อยรู้ปล่อยในทุกขณะปัจจุบันไอ้ความรู้ปล่อยรู้ปล่อยนั่นแหละคือรู้ปลอ่ อ, ลอยคือรู้แล้วไม่ไปจับปไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวไปพัวพั น, นอันนั้นแน่มันจะเป็นเครื่องอยู่ที่ดีที่สุดเขาภาษาเขาเรียกว่าอยู่กับสักแต่ว่ารู้สักแต่วรู้หรือรู้ซื่อแต่เราที่เราใช้ภาษาว่ารู้ปล่อยรู้ปล่อยนั que, ่นแหละหรือรู้ไม่ไปจับป derrière, ไปยึดไปเกาะเกี่ยวพัวพันอะไรเลยตัวนั้นแน่ถ้าเรา อยู่กับรู้ปล่อยรู้ปล่อยทุกขณะปัจจุบันหรือสักตะวรู้ในทุกขณะทุกวันไอ้สักตะวรัรู้เนี่ยหรือรู้ปล่อยรู้ปล่อยนั่นนี่ยมันจะไปเครื่องอยู่ไปเองแตวไม่มีผู้ไปอยู่หรอกไม่มีตัวเราไปอยู่หรอก <S <S แต่มันจะทําให้เป็นเครื่องที่ทําให้เราเนี่ยไม่หลงฟุ้งซ่านไม่หลงฟุ้งซ่านไปเกาะเกี่ยวบัวฟันเรืองโน้นเรืงนี้เพลินไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นในใจกระทบทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายในปัจจุบัน <S <S ไม่จับไม่ไปยึดแล้วก็ปล่อยที่่่่หลังือรรรรรรรรูููููููู้้้้้้้ผผผาาานนนว เลื้อสายแค่สัพตะวันรู้ไม่ว่าตาหูจังหูริ้นกายจะรู้อะไรต้องรู้ประตูใจด้วยต้องรับรู้ประตูใจด้วยตลอดเวลาแต่รู้ไม่ใช่รู้เพื่ออะไรรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ละรู้ไม่จับไม่ยึดอะไรอย่าไปรู้แต่ทํางานก็รู้แต่หน้าที่การงานนะแต่ไปรู้แต่หน้าที่การงานไม่รู้ประตูใจไว้หลงหลงตลอดเลยทำอะไรก็ต้องรู้ประตูใจที่รู้ละปล่อยวางประตูใจด้วยที่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ทา หลวธโมทนบอกว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจป่อวางที่ใจในทุกขณะปัจจุบันสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจในทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะทํากิจการงานใดอย่าให้ใจออยู่แต่แค่กิจการงานนั้นต้องไม่ว่าจะทํากิจการงานใดจะเข้าห้องน้าห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนว่าไหนจะนั่งรถไปไหนว่าไหนหรือเหมือนกับจะนั่งรถมาเนี่ยระยะทางมันไกลมากตั้สองร้อยกว่ากิโลสามรอยกิโล ก็รู er ルル้ไม่ว่าจะดวงตารู้เห็นอะไรก็ต้องรู้ที่ประตูใจรู้ไม่ต้องรู้อะไรก็รู้แค่ละให้ปล่อยให้วางแค่นั้นแหละไม่ได้รู้เพื่อให้เอาอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวจะเอาที่ลวงตาสอนไปใส่ืมแล้วก็อุบายอย่างหนึ่งที่ท่านให้ตัวอย่างมาภูธาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่บอกว่าในการปฏิบัติธรรมอะต้องเอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยปากของแม่โคก็เล็มหญ้า ตาของแม่โคก็เหลือบดูลูกน้อยไม่วางตาทั้งแม่โคก็อิ่มท้องลูกน้อยก็ปลอดภัยการปฏิบัติทําให้เอาอยาแม่โครเลี้ยงลูกอ่อนหรือเลี้ยงลูกน้อยปากของแม่โคก็เล็มหญ้าตาของแม่โคก็คอยเหลือบดูลูกน้อยทั้งท้องแม่โคก็อิ่มลูกน้อยก็ปลอดภัยเข้าใจไหมว่าอะไรคือ คือเมคอะไรต่อิ่มท้องอะไรคืออันนี้เป็นคําสอนของใครนะครับเป็นคําสอนของใครที่พระพึงนี่ก็ผู้ชายจารุธมงค์เข้าใจอันนี้ไหมว่าจะเอาไปใช้ในการปฏิบัติธรรมอย่างไรเมคอเลี้ยลูกน้อยเนี่ยหมายถึงยังไงก็คือในจิตประจําวันอก็ก็คล้ายๆที่หลวงตาได้สอนนะคือว่าให้พยายามกลับมาดูประตูใจนะคือไม่ทิ้งประตูใจแต่ก็ไม่ทิ้งเอ สิ่งที่ต้องทำในในในปัจจุบันนะให้ควบคู่กันไปให้ทิงน้ำหนักไว้ทั้งสองสองด้านให้ให้แบบเอาแบบสบายๆให้ไม่ไม่ได้แบบไปอยู่ตรงมุมใดมุมนึงจนจนหลุดอีกจากมุมหนึ่งนะถูกตอ้องถูกต้องนะครับงานที่แม่โคเนี่ยเต็มย่าท้องอิ่มเนี่ยคืองานที่ทำงานในชีวิประจำวั น, นส่วนตาเหลือบดูลูกน้อยก็คือจิตใจของตัวเองเนะน เพราะลูกน้อยก็เหมือนกับเป็นสิ่ ง, เ ป, งเป็นสิ่งที่รักที่หวงก็คือจิตใจของตัวเองไงต้องคอยเหลือบดูเหลือบดูไม่ใช่เลือนเหลือบดูก็คือจไม่ไม่ไมเลือบดูเพื่อละปล่อยวางไม่ใช่ไปจับไปยึดอะไรผมขอแยกถามอีกเรื่องคือว่าทั้งเวลาเราที่เราใช้ชีวิตในการปฏิบัติธรรมนี่ก็น่าจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนแรกในชีวิตปกติเนี่ยเราก็ อย่างผมก็ให้รู้แล้วปล่อยแต่ในส่วนที่พอมีเวลาที่จะเอทําในรูปแบบเช่สนสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรก็ก็เอาสิ่งเหล่านั้นไปเช่นอยู่แล้วก็ไปเห็นอจิตใจขณะที่เราฟุ้งไปแล้วก็กลับมาอยู่ปล่อยปล่อยแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันอย่างนี้เพื่อให้จิตมีกําลังที่จะเวลาใช้ชีวิตจำวันเราก็จะรู้แล้วปล่อยได้ไดีขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหครับ ต้อนแล้วมันมันขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ตอนที่เราฝึกเนี่ยกําลังจะไม่แข็งแรงเนี่ยเราได้ทํางานในชีวิตประจําวันหรือทํากิจกรรมใดก็ตามในปัจจุบันไม่ว่าจะเขางาดน้ำมาพ่วเดิมกินเดินทางไปไหนมาไหนหรือในขณะขับรถก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสติมาตื่นมารู้สึกตัวรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่กับการกิจการงานที่กําลังทําอยู่อย่าทําให้อย่าทํากิจการงานที่ทําอยู่ให้มันผิดพลาด แล้วก็ส่วนตาไหนอ่ะตาใจก็คอยเหลือบดูลูกน้อยว่ามันหลงไปคิดปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าถ้าหลงไปคิดปรุงแต่งอะไรไปหาอาดีตไปหาอนาคตหลงเพลินไปแล้วทําให้เราเนี่ยไอความรู้สึกที่ตัวที่อยู่กับกิจการงานก็ อ, อไม่ได้อยู่แล้วใจมันห ม, มัวไปที่อื่นไมายถึงว่าตัวทํางานอยู่แต่ใจมันแอบไปคิดเรื่องอื่นหลงไปคิดเรื่องอื่นหลงไปคิดเรื่องนี้ อันเนี้ยมันหลงไปเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเอากลหลงขึ้นไปต้องรู้สึกตัวละออกจากความหลงนั้นต้องรู้ให้เร็วไล่เร็วนั้นละไปเลละความหลงหลงไปก็ต้องละให้มันหายหลงคือให้รู้ให้รู้สึกตัวขึ้นมามันก็หลงคิดกายทํางานอะไรอย่างหนึ่งแต่ใจมันก็แอบคิดหลงคิดโนนคิดถึงนี่คิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอย่างเนี้ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเร็วแต่เดี๋ยวก็หลงอีกเราก็รู้สึกตัวอีกหลงอีกก็รู้สึกตัวมันอีกหลงอีกก็รู้สึกตัวมันอีก แต่งานกิจกรรมทำก็ยังทําอยู่แต่ประตูใจเนี่ยมันหลงแล้วต้องรู้สึกตัวหลงแล้วเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแต่งานกิจกา ร, รงานนกิจกรรมที่กำลังทำอยู่กิจการงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันก็ต้องไม่บกพร่องต้องรู้ควบคู่ไปอย่างเหมือนกับว่าเอาอย่างที่แม่โคเลี้ยงลูกอ่อนนะ่ตาของแม่โคก็เหลื่อมดวลูกน้อยปากของแม่โ ค, ก, ก, ก, โคก็เลีมยมหญ้าท้องของแม่โคก็อิ่มคือได้เงินเดือนมาเลี้ยงท้องตัวเองให้อิ่มหนำสำาสําราญได้แต่ ก็ไม่ทาให้ลูกน้อยเนี่ยอต้องได้รับอันตรายอะไรถ้าเราหลงคิดปล่อยให้หลงคิดไปมันก็จะได้รับอันตรายจนกระทั่งเรามีฝึกเก่งแล้วไม่ว่าจะทํากิจกรรมงามใดก็ตามเราก็จะไม่หลงคิดไปได้แต่รู้จิตทุกกิริยาการจิตในปัจจุบันไม่หลงคิดไปได้แต่รู้ไม่ได้หลงคิดไปได้แต่รู้เรื่อยไปอย่างเนี้ยที่เราบูชาจนใช้คำว่าคู us us us, us us ่ซื่อคู่สื่อคือรู้อย่างที่มันเป็นในทุกขณะปัจจุบันเนี่ะรู้ที่ประตูใจ่ รู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่ อ, อไม่ใช่รู้เพื่อนมันเป็นอะไรแล้วคือสักแต่หวัรู้อย่ที่มันเป็นในขณะปัจจุบันแต่ถ้าเราหลงคิดไปหลงปรุงแต่งไปมันไม่ใช่รู้แหละอันนี้ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจสักนะตบทักละเอียดอย่างรองก็ไม่ไม่ค่อยได้ฟังตรงนี้ก็ต้องต้องสักถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสักละเอียดอย่าปล่อยวความคุมเกลือนกลับไปขอโอกาสบ้านการครับเออเวลา เวลาปฏิบัติภาวนาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเวลาปวดเมื่อยเนี่ยขณะแล้วก็ดูลมหายใจไปด้วยเนี่ยาการที่เราจะพยายามที่จะแยกตัวตนเหมือนกับมองร่างกายกำลังหายใจแล้วก็ความปวดเนี่ยเหมือนกับว่าแย่ออกมาเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้เนี้ยทยาไอนี้มันจะถูกต้องไหมครับ ดูที่ประตูใจไปดูที่ตรงนั้นอย่าไปดูที่ความปวดอย่าพยายามไปแยกไล่ไล่ต่อสู้อยู่กับเวทนานั้นถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใช่ไหมของทองเน่ก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้ให้มีความรู้สึกตัวให้ชัดเจนอยู่กับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่าปล่อยให้จิตใจเนี่ยมันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาการของเวทนาอย่าให้มันหลงอะ่ะ มเมื่อเผลอเผล่นคิดไปให้มันอยู่กับความรู้สึกตัวว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเรื่อยไปให้เอาความรู้สึกตัวไว้ไว้อยู่กับหายใจเข้าพูดหายใจออกโธอย่าให้มันลงคิดมเมื่อเผลอเพล่นไปแล้วอย่าไปจ่ออยู่ตรงที่ความเจ็บปวดพยายามต่อสู้ให้มันแยกกายแย ก, กจิตแยกเวทนาอยา่าอย่าไปต่อสู้อย่างนั้นให้มันแค่รู้รู้สึกตัวเวทีล ok. มหายใจเข้าออกัมหายใจเขาออกกับคํำอวนาพุธโธไปด้วยใช่ใช่สอง<ช>อย่างใช่ครับอันถ้าเราถนัดแบบนั้นนะ แล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้มันรู้ชัดๆให้ความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องไม่ขาดสายอยู่ที่ เ, เราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอย่าไปสนใจต้องอื่นมันจะแตกความรู้สึกตัวออกไปทำให้มันจิดมันไม่รวมลงมันจะแตกไปกับความคิดบ้างไปคอยไลไ่ดูความคิดบ้างมันจะคอยแตกไปอยู่กับไอ้ขาที่ปวดบ้างล้วไปคอยแยกความปวดออกจากขาบ้างแยกขาออกจากปวด มันจะวุ่นวายอย่างงี้จิมันจะไม่รวมเป็นหนึ่งให้มันรู้ความรู้สึกตัวมันจะชัดอยู่กับลมหายใจก็ออกก่อนเพราะว่าจิตมันยังไม่จิตมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รวมมั่นคงแล้วก็ให้ให้ความรู้สึกตัวมันอยู่กับหายใจเข้าพุดธหายใจออกโทหายใจเข้าพุดธหายใจออกโทให้มันชัดเจนอย่าไปสนใจกับไล่ดูความคิดแล้วก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดตามร่างกายซึ่งเป็นเวทนาให้มันถ้ามันเผลอพั๊ ไม่ไม่ความรู้สึกตัวไม่มาอยู่กับหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทมันไปอยู่ที่อื่นแล้วมันไม่รู้สึกตัวมาอยู่กับลมหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทเราต้องรู้สึกตัวกลับมาทันทีคือความรู้สึกตัวมันขาดไปมันขาดจากหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทแต่เพลไปคิดอะไรเพลไปคิดอะไรอย่างกี็ต้องรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวกลับมาให้เร็วทันทีกลับมาดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้า spaces, ถ <S <S เราเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทรได้ความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบัน แล้วมันมีความคิดอะไรแทรกซ้อนอันนี้อย่าไปสนใจความคิดเหล่านั้นเพราะว่าเราไม่ขาดจากความรู้สึกตัวเราเนี่ยจะรุดจะเรียกความรู้สึกตัวกลับมาต่อเมื่อความรู้สึกตัวเราขาดจากหายใจเข้าพุทธาใจออกโทเมื่อเผอเพินคิดอะไรฟงแต่งไปอย่างนี้จึงต้องรีบรู้สึกตัวกลับมาแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเข้าพุทธาใจออกโธอยู่มีความคิดอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาในระหว่างนั้น ไม่ต้องสนใจเพราะว่าสนใจอย่างเดียวว่าความรู้สึกตัวอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยยังมีอยู่ไหมถ้าความหายใจรู้ความรู้สึกตัวรู้อยู่กับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ทุกขณะปัจจุบันถ้ามีความคิดหรือมีความเจ็บปวดอะไรแทรกตอนมาอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าความสำคัญปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเรื่อยไป ให้อยู่กับความรู้สึกตัวนายใจขับพุดธาัยใจออกโทในปัจจุบันป <ica> <book> ัจจุบันท <art> ุกขณะเรื่อยไปนอกสจากว่าเมื่อไหร่เผลอหลุดความรู้สึกตัวในปัจจุบันกับนายใจขับพุดธาัยใจออกโทเผลอไปยุ่งกับอาการเจ็บปวดเวทนาตามร่างกายหรือเผลอคิดปร่งแต่งไปต้องรู้สึกตัวขึ้นมาต้องรีบรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเรามาอยู่ไหนก็รู้สึกตัวมาอยู่กับนายใจขับพุดธาัยใจออกโทตามเดิมเรื่อยไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจครับทอนี้ เวลาจิตมันปรุงไปเนี่ย เ, เราเราที่ที่หลวงตาบอกว่าให้ให้รู้ซื่อเนี่ยแล้วก็สักกะว่ารู้เนี่ยรู้แค่ไหนเพราะว่ามันจะตามมันจะตามความคิดไปคำว่ารู้ซื่อหมายถึงว่าความรู้สึกตัวเราที่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ขาดแล้วมันมีความคิดแกสกซ้อนเกิดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วมีเวทนาเจ็บปวดร่างกาย แทรกซ้อนขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยเราก็รู้สู้ๆอย่างที่ก็เป็นตามความเป็นจริงอยากเข้าไปแทรกแซงอยากเข้าไปกดไปข่มไปบังคับให้เขาไม่คิดให้เขาไม่มีอาการพยายามจะไปต่อสู้ให้อาการต่างๆมันหายไปเรารู้สู้ๆทั้งเวทนารู้สู้ๆทั้งจิตที่คิดปรุงแต่งเรารู้สู้ๆได้เพราะว่าความรู้สึกตัวมันมาอยู่ที่หายใจเข้าพุทธหายใจออกร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยมันก็เลยไปสักตะวันรู้เวทนาและสับตะวรู้จิตที่คิดแต่งได้ ให้เคลียร์จริงๆนะเคลียร์เนาะยังนึกคําถามอื่นไม่ออกครับไม่ใช่ตอนนี้เป็นฉพาะตรงนี้ก่อนเฉพาะเฉพาะตรงเนี้ยเขี้ยเข้าใจแครับเพะตรงนี้สำคัญมากในการฝึกเหมืในการฝึกถ้าถ้าตรงนี้ไม่ชัดเจนจะฝึกผิดพลาดเข้าใจครับจะรู้ซื่อได้ความรู้สึกตัวในปัจจุบันต้องไม่ขาดตอนนี้สําหรับคนที่ยังไม่ไม่สามารถรู้ซื่อได้อย่างแยกออกระหงว่าหลงตามความคิดไปหรือเปล่า หลงไปตามอารมณ์ไปหรือเปล่าเมืเ่อเพลินไปหรือ เ, เปล่าหรื อ, อยังรู้สึกตัวอยู่ยังแยกไปขาดระหว่างความรู้สึกตัวกับความหลงอย่างเนี้ต้องหาเครื่องลอ่อความรู้สึกตัวไว้ในปัจจุบันเช่นอย่างอย่างลองเนี่ยก็มาเอาลมหายใจเข้าพุทอายใจออกโผเป็นตัวลอ่อความรู้สึกตัวไว้ในปัจจุบันบางท่านอาจจะไม่ถนัดทางนี้จะเอาอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดเช่นบางคนเขาไม่ถนัดเอามาผูกไว้กับลมหายใจเข้าออก เป็นบุคคลถนัดที่จะมารู Wenn ้สึกตัวอยู่กับคำบริการพุทโธพุทโธพุทโธเบาๆในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเบาๆในใจเรื่อยไปโดยที่ไม่ทิ้งความรู้สึกตัวมาอยู่กับคำบริการพุทโธพุทโธเออคือหมายถึงว่าความรู้สึกตัวนั้นอยู่กับคำบริการพุทโธพุทโธตลอดตลอดเวลาถ้ามันเผลอไปเขาก็จะรู้แล้วว่ามันเผลอไปคิดเผลอไปยุ่งวุ่นวายกับเวทนาอย่างเนี้ยเขาจะได้รู้ว่ามันหลุดแล้วเพราะว่า เขามีความรู้สึกตัวเปรียบเทียบไว้กับว่าเนี่ยมันอยู่กับคอมมิวิสตพุตโทโธไหมอยู่กับลมให้ใจเขาออกไหมหรือว่ามันหลงไปแล้วถ้าเขาไม่มีอะไรตัวเป็นตัวเปรียบเทียบตัวหลักไว้มันแยกไม่ออกระหว่างว่าเอ๊มันหลงไปคิดหลงไปยุ่งกับสิ่งนู้นสิ่งนี้หลงไปยุ่งกับเวทนาหรือว่ามันรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้ายังแยกไม่ออกชัดเจนอย่างเงี้ยจะต้องมีเครื่องร่อไว้ให้เปรียบเทียบว่ายังรู้สึกตัวอยู่ มันคนอาจคนนึงอาจจะเอาเลือกเอาไว้เครื่องร่อความรู้สึกตัวของตัวเองไว้ในปัจจุบันอะไรก็ได้ที่ล่อไว้เพื่อเปรียบเทียบว่าอ่ะมันหลุดไปที่นี่ไอมหลุดไปจากเครื่องเครื่องล่อแท้เนี่ยมันหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาเผลอไปคิดโน่นคิดนี่เผลอไปคิดโน่นคิดนี่แต่ถ้ามันความรู้สึกตัวไม่หลุดจากเครื่องล่อที่เราใช้ล่อด่อจิตในปัจจุบันอยู่เนี่ยเช่นคำบริการพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเครื่องล่อไว้เนี่ยถ้ามันไม่หลุดเนี่ย แม้มจะคิดแทรกตอนอะไรมาแม้แต่เ ว, ท น, ว, วทนาแทรกตอนอะไรไปอย่าไปให้ค่ายความสําคัญมันอย่าไปสนใจเดี๋ย่าไปกระดับเองเน่ยเดี๋ยวมคิดขึ้นไปเองก็ดับเอ ง, เ ด, ด เ, อด เ, องเดี๋ยวเวทนาเนี่ยถ้ามันเจ็บปวดมากๆเรานั่งกดตะปุ่มขาเนี่ยมันไม่หายสักทีเราก็สามารถขยับไนดะ้เราขยับเปลี่ยนท่าทางได้เราไม่ต้องไปทนเวทนาจนทนไม่ได้หรอก ถ, ถึงเราทนไปยังไงก็มันก็แค่ขาชาพอขาชามันก็หาย หายปวดหายปวดเสร็จแล้วมก็กลับมาปวดสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตรวมแล้วเนี่ยจิตมันรวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดปิติเกิดสุขเกิดอุเบกขาไปแล้วเนี่ยจิตเป็นเกิดสมาธิมันเดินจนเป็นองค์ชานไปแล้วเนี่ยโอย้อย่างเนี้ยมันไม่มีหรอกไอ้ความปวดเวทนามันก็ไม่มีความฟุง้งซ่านไปทางความคิดอะไรก็ไม่มีเพราะจิตมันมารวมแล้วเขาเรียกว่าจิตรวมามันรวมเสรแล้วมันรวมเป็น วิตกวิจารณ์มันดับไปเหลือเป็นหนึ่งแล้วเอกาคาตาจิตแล้วมันก็จะเดินปิติสุขุเบขาไปอย่างนี้ยมันไม่สนใจแล้วความปวดมันไม่มีเลยมีแต่สู้ซาสู้ซากายเบาใจเบาเหมันห่อเหินเดินอากาศได้มันไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเมื่อยแล้ว ม, มีแต่สู้ซาสู้ซาซาบซาบเลยมีแต่ความสุขความอิ่มเอิบความสงบเลื่อยไปนั่งทั้งวันทั้งคืนได้อย่างเงี้ยไม่ไม่ไมไม ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความเจ็บปวดอะไรตัง้งใดทั้งคืนเลยตั้งแต่เย็นจนเช้าเราก็นั่งมาแล้วแบบนั้นะอะไม่เจ็บปวดต้องไปสู้เวทนาเอาไปเราตายเราไม่ต้เพราะว่าถ้าเราจิตไม่รวมมาสู้ยังไงมันก็เป็นแต่ร้างพลาสู้ไม่ไหวเราพุทธิมันสู้เวทนาได้ก็เพราะว่าจิตมันมรวมไปแล้วมันไปรวมกับเครื่องล่อไนงะรวมกับอะไรก็คือรวมกับเครื่องล่อมันไปรวมไปแล้วพอรวมเครื่องล่อปุ๊บไอเวทนานก็ไม่นะไมีแล้วอะไร มันเลยนั่งที่ตั้งก็คือทั้งวันเลได้ไอ้ที่เราเห็นเ้านั่งก็คือนั้งวันไม่ใช่เขานั่งทนเวทนาจิตมันเป็นรวมอยู่ข้างในมันไม่รับรู้ภายนอกแล้วคือมันไปเป็นปิติเป็นปิตุตตวิจานดับไปเป็นเอกาคตาจิตเป็นปิติซาบซ่านกายเบาใจเบา join, ขนลุกทั้งตัวน้ำตาเอิบคอจนเลื่อนไปเป็นสุขเป็นอุเบกขาจิตมันสงบสว่างเจิดจ้าอยู่ข้างในมันไม่รับรู้ข้างนอกแหละอันนี้มันนั่งข้ามวันข้ามคืนก็นั่งได้ มันเลยไปจนถึงว่าจิตมันเบามันว่างไปจนถึงเป็นอากาศธาตุกลายไปเป็นอารมประชานเข้าไปจนถึงความปรุงแต่งน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีมันเข้าไปจนถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนะอันนั้นเนี่ยมันนั่งขสามวันห้าวันเจ็ดวันอาทิตยสามกินอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่ไม่มันไม่หายใจแล้วมันจะกินธาตุเอาหายใจมันก็ไม่ได้หายใจมันคือเหมือนกับว่า มอนก็ลมหายใจมันไม่มีแต่คงหายใจอยู่แต่ลมหายใจมันไม่มีจับไม่ได้จับลมหายใจไม่ได้แล้วจิตมันก็ไม่คิดไม่นึกไม่อะไรเวทนาหามก็ไม่มีสัญญาความคิดมันก็ไม่มีมันพูดง่ายเหมือนคนตายแต่มันไม่ตายมันอยู่ได้เพราะอธิษฐานจิตอยู่ในนั้นเป็นอรูปฌานในวาสัญญาณสัญญาจรสนะแต่ที่สุดของสมาธิยังไงก็ไปได้แค่ของที่สุดมันได้แค่นั้นนะไม่เคยกว่านี้มันต้องมาเดินสายปัญญาแทน ก็คือึ้มาเดินสายปัญญาคือสู่ความพ้นทุกข์พอเดินสายปัญญาผมก็เดินอีกได้หลายสายแล้วแต่จะเดินเดินสายปัญญาสายปัญญาก็คือเช่นพอจิตสงบแล้วพอจิตมันเริ่มถอนขึ้นมาเป็นปกติพอจิตมันสงบยังไงก็ต้องถอนขึ้นมาเป็นปกติพอมาถอนขึ้นมาแล้วก็มาแยกผมกดเล็บฝ้าหนังเนื้อเองกระดูกตับตไตเส้น้อยเส้ใหญ่มาตับปอดวัวใจ อันเนี้ยเป็นของแข็งเป็นธาตุดินให้มันเน่าเปื่อยผุพังสลายไปเป็นขี้เท่าทุรีไปแล้วก็ให้มันเน่าเปื่อยผุพังสลายไปไปขี้เท่าทุรีเป็นธาตุดินไปกับพื้นโลกไปให้มันคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วก็มาแยกธา like ตุน้ำกับน้าเลือดน้ําเหลืองน้ํำลายน้ําปัสสาวะน้ำขไมขมันไขมันไอไขมันคน้นให้มันแยกเป็นธาตุน้ําแล้วให้มันเนี่ยร่างกายเน่าแล้วธาตุน้ําเนี่ยก็ให้มัน คืนไปเน่าไปไหลลงดินหรือว่าระเหยไปถูกเผาระเหยไปไปรวมกับน้ำในอากาศกลายเป็นน้ําตามธรรมชาติไปถัดลมหายไจถัดลมหายใจก็ระเหยกระดับไปแล้วก็หายไปไปสู่ธรรมชาติถัดไปก็หายไปสู่ธรรมชาติตัวก็เย็นชื้นร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปให้เหยนความเน่าความเปื่อยผุพังไปสลายเป็นดินน้ําลงไปเป็นอากาศธาตมาจากธาตุก็คืสถูกธาตุมดสิ้ กับพิจารณาอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องจิตเรื่องพวจนาพิจารณาแต่เรื่องกายเนี่ยถ้ามันซ้ำซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้เพราะจิตมันเป็นสมาธิมั่นคงอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมัอพิจารณาตรงเนี้ยมันจาะเข้าไปตรงไหนอะในร่างกายตนเนี่ยมันเห็นชัดเจนมันมันสามารถพังทลายลงไปได้ในในความหลงเห็นซ้ำซ้ำอยู่างนั้นเนี่ยความน่าปลื้มภูพังก็จะปรากฏแก่ใจไป ใปกดแก่ใจอะมาชัดเจนใจก็จะพงปล่อยวางปล่อยวางว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไมเลยมันก็จะพงปล่อยวางความหลงยึดบ้านถือบั่นในกายตนหมดสิ้นแต่บางท่านเนี่ยทีเดียวก็จบไปเลยคือพ อ, อเห็นร่างกายไม่มีตัวตนเนี่ยปล่อยวางไปเป็นธาตุินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอากาศธาตุคือเป็นความว่างเปล่าไปหมดหาตัวตนไม่เจอก็รลุ د, อรหันต์อะไรไปทีเดียว แต่บางท่านก็อพิจารณาปล่อยวางร่างกายสังขารตัวตนหมดสิ้นไม่รู้สึกว่ามีมีตัวตนอยู่ในโลกโลกนี้อีกเลยคือไม่ใช่ว่าเฉพาะหลับตาชีวิตทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งวันทุกวันอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีร่างกายอีกเลยเหมือนกับร่างกายไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วก็แต่ก็มันก็มีตัวตนตามปกติตาก็เห็นว่าตัวเองมีอยู่ แต่มันรู้สึกว่าตัวไม่มีอยู่ตลอดเวลามันรู้สึกว่าทําไมไม่มีตัวต้องถ้ามันเป็นอย่าง Saul, นี้อาทิตย์ใหม่ๆออาทิตย์สองอาทิตย์แรกๆต้องคอยจับแขนจับขาจับตัวจับหัวตัวเองตลอดเวลามันหายไปไหนน ะ, ะจับสิ่งไรมันก็มีแต่คอยจับไว้เลยว่ามันกลัวว่ามันหายไปไหนอแต่ทําไมมันจับสิ่งไรก็มีแต่มันเหมือนไม่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้แน่และอีกอย่างหนึ่งคือน้ําหนักมันไม่มีน้ําหนักมันไม่มีทํำยังไงก็ไม่มีน้ําหนักมันเหมือนอยู่ในอวกาศแต่ไปชั่งกิโลก็เต็ม แต่ทำไมเดินไปมันไม่มีน้ำหนักอยู่ข้างในมันเหมือนอยู่ในอากาศมันเหมือนไม่เดินมันเหมือนจะไปขึ้นเมืนยอดไม้แลบินไปอยู่เลยนั่นแหละมันก็มีแต่ความว่างเปล่าแล้วมันก็เห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิงหอยอยู่ในความว่างเปล่าไม่รู้สึกว่าเกิดดับในตัวไม่รู้สึกว่าเกิดดับนอกตัวคือตัวไม่มีมันเป็นธรรมชาติว่างเปล่าไปทั้งจักรวาลแล้วก็เห็นจิตเห็นจิตเนมันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหงอย เกิดดับในธรรมชาติหรือเหมือนฟ้าแลบเกิดดับในธรรมชาติเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วดับไปก็มีแล้วหายไปเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายิดบ้านเติมบ้านแล้วก็ปล่อยวางความคิดบ้านเติมบ้าน้ยนั่นแหละมันก็สิ้นความคิดบ้านสังขารในร่างกายแล้วสังขารจนสังขารจิต จิตมันในสันงข์จิตกายอยสังขารจิตจะสังขารคือไม่ไม่จิตมันถึงมั่นไรเลยทิพยผู้จิต ม, มานถึงมาาั่นทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าเดินสายปัญญาแต่ผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศน้อยหลายนะักมีหนึ่งในหนึ่งในไม่กี่คนนะหนึ่งในแสนในหมื่นที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเข้าถึงจิตได้เราว่าน้อยมากเลยน้อยมากอันนี้ยเข้าถึงจิตได้เลย เพราสังกิตผู้รู้จี่เป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนในวิีกายาการใดๆเห็นแต่จิตไวไวๆแต่ตัวเราไม่มีตัวเราเป็นวิสังขารเห็นแต่สังขารจิตไวไวๆไม่ไม่มีผู้เข้ามายึดจิตตสังขารคือมาเลยกายหรือเวมาเลยเวทนามามาถึงขั้นจิตแล้วขั้นจิตขั้นธรรมสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม มันจะถึงขั้นมันเห็นจิตไวๆไวๆไม่มีผู้เข้าไปยึดถือตัวเราไม่ปรากฏอาการเคลื่อนไหวใดๆตัวเราเป็นวิสังขารไปเลยเป็นสังขารวิสังขารคือไม่ปรากฏกิริยาการใดๆไม่ปรากฏตัวตนใดๆไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไหวจริงวิแต่กิริยาการของจิตที่ไหวๆอยู่ในความไม่ไหวอยู่ในใจใจเนี่ยไม่ปรากฏตัวตนของใจไม่ปรากฏอะไรเลยมีปรากฏแต่เพียงว่า ภายในใจมีแต่ความสงบนี่ก ว, ว้างเปล่าไม่มีอะไรกระเพื่มเลยแม้น้อย่นิดนิงก็ไม่แต่ทุกกริยาการของจิตยังกระเพื่อมกระเพิ่ ม, ม, มอยู่ในใจที่ ว, าาว่างเปล่าอยู่ในใจที่สงบอยู่ในใจที่มันสงนัดอยู่ในใจที่ไม่ปรากฏอะไรเลยจะว่าไม่ปรากฏอะไรก็คือมันก็มีความเงียบมีความสงบมีความสงัดของมันในตัวมีความสุขมันอยู่ในตัวเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากความยึดมั่นถืออะไรจิตมัน่นถือมั่นอะไร ไม่ใช่ว่าเป็นความสุขที่ไปจับไปยึดอะไรแต่เป็นความสุขที่ปราศจากความยึดบ้านถึงบ้านให้เป็นทุกข์มันก็รู้อยู่เห็นอยู่อย่างเนี้ยความรู้อันนี้ยมันเป็นความรู้ฝนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผู้ยึดบ้านถึงบ้านมีอยู่ ส, สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนไหวกับอีกสิ่งหนึ่งไม่เคลื่อนไหวอยู่คู่กันตลอดกาลไอ้ที่รู้ว่า เนี่ยมันมีอยู่อย่างเนี้ยคู่กันตลอดการไอ้รู้เนี่ยมันเป็นอมตะเป็นอมตะเพราะว่าทุกอย่างที่เคลื่อนไหวก็ไม่มีผู้ไปจับไปยึดและสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวที่เป็นวิสังขารก็ไม่มีใครไปจับไปยึดไม่มีใครไปจับไปยึดตั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่มีใครไปจับไปยึดตั้งสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวได้แต่รู้ว่าสองสิ่งนี้เป็นธรรมชาติคู่กันธรรมชาติสิ่งหนึ่ง หรือเรียกว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกสปปรรพสิ่งล้วนเคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอะไรเลยเปรียบเหมือนกับว่าในธรรมชาตินี้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวมีหนึ่งสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวคือความว่างเปล่าของจักรวาลและผู้รู้เนี่ยมันก็รู้ว่าธรรมชาติสองสิ่งเนี้ยเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ของของเราแต่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงเห็นทั้งภายนอกและเห็นทางภายในเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยในภายนอกก็เป็นความว่างของจักรวาลเป็นเพียงความไม่เคลื่อนไหวมีเพียงหนึ่งเดียวคือความว่างเป็นความว่างของอนันตจักรวาล แต่ทุกสรรพสิ่งนอกนั้นนอกจากความไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วทุกสรรพสิ่งนอกนัน้นล้วนเคลื่อนไหวทั้งหมดล้วนไหวไห ว, ไวปรากฏการเคลื่อนไหวแต่ไหวอย่างไรก็ไหวอยู่ในความว่างเปล่าในความไม่มีอะไรไม่ใช่ความรู้สึกว่างๆนะแต่เป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนกับจักรวาลเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลภายในใจก็อย่างนั้นแนี่ยใจเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแต่ทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ไหวไหวไหวไหวว่าไหว อยู่ในใจที่ว่างเปล่าผู้รู้ก็รู้อย่างเนี้ยเรื่อยไปว่ามันมีธรรมชาติคู่กันอย่างนี้ไม่มีใครไปยึดอะไรไม่ไปยึดทั้งสิ่งที่ไหวไหวและไม่ไปยึดทั้งความไม่มีอะไรหรือความหรือว่ า, วาความจะเรียกความว่างเปล่าคนชอบไปยึดว่างเราไม่ค่อยชอบพูดว่างนะคนไม่ชอบไปยึดท่าว่างทำใจว่างๆแต่แม้กระนั้นเนี่ยเราบอกว่า มีธรรมชาติสองสิ่งคือสิ่งหนึ่งเรียกว่ามีคือมีความหวังไห ว, วๆมีความปรากฏอาการกับอีกธรรมชาติสิ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยเรียกว่าวิสังขารขแต่แม้กระนั้นคนก็ไปสร้างเอาความไม่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดได้ยึดว่าตัวเราคือความไม่มีแต่อีกพวกหนึ่งที่หลงเลยก็ไปยึดว่าตัวเราเนี่ยคือความปรุงแต่งก็เอาตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปปรุงแต่งตลอดเวลาเลยแต่ก็มีพวกหนึ่งเนี่ยแต่อันนี้หนึ่งในน้อยคนนักไปยึดเอาความไม่มีเป็นตัวเราไว้ แล้วพยายามไปรู้ฝ่ายที่ที่มีไว้ทําให้ตัวเราเนี่ยไม่มีอันนี้ก็เป็นความหลงไปได้อีกเหมือนกันคือเห็นว่าธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในใจเนี่ยเหมือนกันคือมีความสิ่งนอกกันนะั้นะล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีที่ไหวตัวสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ไม่มีมีอย่างเดียวคือความว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอกคือใจเนี่ยเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลมันเป็นธรรมชาติของคู่กันไอ้ผู้ที่รู้แบบเนี้ย ว่าสั่งสิ่งที่ไหวๆเนี่ยก็ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นว่าเอาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวนตนของเราทั้งไอธรรมาชาติที่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวเลยก็ไม่ไปยึดเอาว่าเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอะไรไอผู้ที่รู้อย่างเงี้เขาเรียกว่ารู้พ้นผู้ที่รู้พ้นเนี่ยเป็นอมาตะเป็นนิพพานธาตุไม่มีวันตายไม่แตกไม่ดับนิพพานแล้วก็ทําลายไม่ได้ เป็นอมาตะตลอดการผู้รู้หมดเรียกว่าพุทธะพุทธะในหนังพระเจ้ามหาสัสดาโลกเรียกติด ท, ที่ ท, ที่ตอนที่อะไรตอนที่พระเจ้าจะมาเกิดอ่ ะ, อะที่มีใครนะที่ฤกษีที่ไปอยู่บนยอดเขายิมอะไรอ่ะชื่ออะไรนะอ่อ มุนีท่านเลยนะที่ที่มาทำนายพุทธเจ้าแต่ไม่เหมือนในไม่เหมือนในในตําราของเราอะในหนังเจ้านอนเนีประเทศว่า ม, มีมุนีที่ไปอยู่บนบนยกกอดเขายมบาลัยเนี่ยแล้วก็มาที่มาขออุ้มอุ้มพุทธเจ้าเนี่ยในหนังเจ้าอุตตะโลกชื่ออะไรนะอะอ อ, อ, ออะอะไรนะอาสิตะเอออสิ ต, ะ ม, สตะมุนีที่ถามที่รอว่าที่หลวงพี่ถามว่าถ้ารออะไรอยู่ รอพี่มีบุญบา ร, รมีมาเกิดท่านมีบุญบา ร, รมีสูงส่งมันจะทําให้โลกนี้สว่างสวพอมีแสงวาบลงมาวะ่ะข้าพุทธเจ้าจะเรียกพระ อ, องค์ว่าอะไรพุทธะพุทธะแต่นั่นแหะคือพุทธเจ้าแต่ที่จริงอ่ะพุทธะเขาแปลว่าผู้มีสติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่หลงอีกแล้วนั่นแหละ ผู้รู้ที่สิ้นหลงแล้วเขาจึงเรียกว่าพุทธะไม่ได้หมายถึงองค์พระพุทธเจ้าแต่หมายถึงพุทธะที่อยู่ในใจของพุทธเจ้าและอรหันต์ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็เป็นแบบเดียวกันคือเป็นพุทธะนั่นแหะเป็นอมตะตลอดการนะไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้ตายแล้วใครเอาไปก็ไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีแต่รู้กัน แต่รู้ที่ไหนก็รู้มันหายตัวไปแล้วนี่คือกระบวนการทั้งหมดพอเข้าใจไหมก็จาจาไว้ก่อนแล้วปฏิบัติให้มันเป็นเอาใครจะ ซักสายอะไรอย่างนหรือแสงการกิเห็นเหตยังไอาวช่วยกันให้รายละเอียดชัดเจนให้ช่วยกันเข้าใจเอาซักเลยเต็มที่นะเราทุกคําถามมีคําตอบทุกคําถามมีคําตอบอ้าวใครจะซักมาครครับอ่าระหว่างนั่งครับผมรู้สึกว่าผมมีแต่ความคิดนึกตึกตองแล้วก็อ่ารู้สึกว่ามีความพยายามครับ พยายามว่าจะทิ้งผู้รู้มันก็เลยเอ๊ะทำไมทิ้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแต่วความพยายามจนแบบรู้สึกอ่ารู้สึกอึดอัด น, นะครับมีแล้วก็มีจังหวะหนึ่งก็มีขึ้นมาว่ามันก็เป็นปกติของเราเองที่เรามันจะไปคิดทบทวนอะไรอย่างนี้ก็ก็รู้สึกว่าอ่าก็ปล่อยได้นิดนึงปล่อยก็เริ่มดีขึ้นพอปล่อย ปล่อยสักพักไปก็จะกลายเป็นเหมื่อเผื่อเพลินกั่เทอมไปก็จะไปทางนั้นครับก็จะเป็นสองทางเหมือนลูกตุ้มโซบินกันอยู่ครับไม่ไม่ทราบเข้าใจถูกไหมครับก็ถูกต้องก็มันปฏิบัติก็ยังหลงๆอย่างนี้เนี่ยอย่างเป็นลูกตุ้มโซลูกตุ้มโซบินอยู่มันจะไม่เปลยนรู้ไม่อยู่กับรู้ได้ก็กอาจจะพุทโธพุทโธไว้เป็นหลักเปรียบเชี่ยวไว้ก็ได้เพื่อแม่โซวิงพุทโธพุทโธพุทโธอะไรเกิดขึ้นไอ้สอบตะวันรู้สตะวันรู้สตะวันรู้ตะวันเห็นอบตะวันรู้ก็หมายถึงว่า เพียงแค่ได้อาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้ในปัจจุบันขณะทุกขณะปัจจุบันไม่ไปจับไปยึดแต่แต่รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆอย่างที่มันเป็นจริงๆตามความเป็นจริงเราก็พุโทโธเลยไปถ้าเราความรู้สึกตัวเราอยู่กับขับบริการพุโทโธเราไม่ทิ้งความรู้สึกตัวไปไม่ว่าจะเกิดสภาวะยิ่งใหญ่อะไรที่สุดหรือว่ามันแย่ที่สุดที่มันแทรกซ้อนกันในขณะนั้น่ะให้รู้ซื่อๆอย่างเดียวหรือว่าสักแต่บรรลุอย่างเดียวอย่าไปจับไปยึดจะไปแทรกแซง อย่าเพลอไยไหลาตามทิ้งทิ้งหลักแล้วหนีตามมันไปให้อยู่กับหลักให้ความรู้สึกอยู่กับหลักไลยจะรอดปอดลอดภัยตลอดจนกว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกในตัวเองมั่นคงแล้วโดยไม่ต้องอาศัยหลักเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวของเราเนี่ยอยู่กับผู้รู้นี่แหละที่ไม่หลงอยู่กับผู้รู้ที่ไม่หลงอีกต่อไป อ, อะหมายหน่อยมหมายนะอ งั้นไอคนที่เอ่อความคิดที่มันนึกตึกตองปุงแต่งก็คือสิ่งที่เคลื่อนไหวใช่ไมคะตาส่วนมันสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวมันก็อยู่คู่กันกับเร า, าเป็นผู้มองเห็นทั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวโดยที่ไม่เป็นมันใช่ใชถูกต้อง เป็นของเคลื่อนไหวได้แล้วก็อยู่รวมกับของที่ไม่เคลื่อนไหวรวมกันเราได้แต่ดูใช่ใช่ได้แตู่ได้แต่รู้ไดแต่เห็นเลือนตาไม่ลงไปเป็นอะไรเลยใช่ตั้แต่เะมะื่อวานฝั่งลงตาก็<อ> มันปรับความเข้าใจเพิ่งมาวันเนี้ยครับฟังหลวงตาชัดๆอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคือเมื่อก่อนผมมองเห็นธรรมชาติข้างนอกผมเห็นแต่ว่ามันมีความว่างหรือความว่างความสงบที่ข้างนอกข้างในมันเหมือนกันผมก็พยายามเข้าไปอยู่กับความว่างข้า ง, างนอกข้างในให้มันเท่ากันแล้วก็ปรุงเหมือนปรุงสมาธิให้มันธรรมชาติมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่วันนี้ยมันเหมือนมันเข้าใจที่หลวงตาบอกว่า ข้างนอกก็มีความเปลี่ยนแปลงคือผมอะจะข้างนอกข้างในทําให้มันเท่ากันได้ก็คือเหมือนรู้ถึงข้างนอกแล้วก็รู้ข้างในแต่ปัญญามันไม่มีความคิดขนาดนี้ว่าข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดลมพัดใบไม้ไหวแล้วก็มันจะมีความไม่เปลี่ยนแปลงคือมีไม่สังขารอยู่คือมีความสางบสงับที่หลวงตาบอกเมื่อวานก็เพิ่งรับรู้ถึงความสางบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ตอนนี้มาอยู่ข้างในใจเราเนี่ยจริงๆมันก็มีความเปลี่ยนแปลงผมเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นจิตเกิดดับบ่อยมากจนแบบเห็นอาการของจิตเยอะมากจนเพิ่งมาเข้าใจเมื่อวานเนี่ยว่าอ๋อแม้มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันก็ยังมีความสงบอันเดียวกับธรรมชาติข้างนอกอยู่ผมก็เลยไม่ไม่จาเป็นจะต้องเข้าไปอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยก็ยังเข้าใจไม่สุดเมื่อวานก็ยังคิดว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ที่ความไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะขาดออกจากความเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็เหมือนนั่งฟังธรรมที่หลวงตาบอกว่าสังขารทัท้งปวงเนี่ยมันเป็นทุกข์คือความปรุงแต่งทั้งหมดเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่เที่ยงแต่ความไม่ปรุงแต่งแล้วก็ความปรุงแต่งคือธรรมะทั้งหมดคือทั้งความปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา ก็เลยรู้ว่าถ้ามกลางความเปลี่ยนแปลงในในจิตในกายเราเนี่ยสังขารทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยมีความไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยแล้วก็ทั้งสองอันเนี่ยก็เลยไม่ใช่เราถ้าโยน้โสไว้ตลอดจ น, จนจิตมันรู้ตัรู้จริงเห็นจริงด้วยจิตนะฮะมันก็เลยไม่มีอะไรเป็นเราเลยคือตอนนี้เหมือนปัญญามันสุดแล้วว่าอ๋อที่หลวงตาอธิบายว่าจิตการพิจารณาจิตจนถึงขั้นจิตมัน ไม่มีเราอยู่ในในจิตในกายเนี่ยอ๋อถึงที่สุดคือมันอย่างนี้ว่าคือมันมันเข้าใจอ่ะครับว่าทั้งความเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เราแล้วก็มันเทียบธรรมชาติภายในภายนอกได้ครับหลวงตานั่นน่น น, น, น่าจะเข้าใจก็เป็นไปตามพุทธพจน์อย่างงี้ยงพี่นายดีนะพี่หนายตามไปที่พุทธพจน์ที่ว่า สัพเพสังขาราอนิจจาร์คได้ยินใช่ไหมสัพเพสังขาราอนิจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงหรือรูปธรรมนามธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือร่างกายจิตใจเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปเนี่ยสังขารทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งที่กระเพื่อมที่ปรากฏความมีขึ้นมาเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดสังขารทั้งปวงเนี่ยยอมไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปนี่นี่วลีแรกสัพเพสังขาราอนิจจสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวง เนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้ ว, วนะสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีสิ่งที่ประสมกันขึ้นมาทั้งร่างกายและ จ, จิตใจหรือรูปธรรมนามธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมตอนแรกสัพเพสังขาราอานิจจา สัพเทสังขาราทุกขาแต่พอวลีที่สามสัพเทธ ร, รมมาอานัตตาทำไมไม่เหมือนกันเพราะอะไรพอถึงธรรมมาธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่อาจยึดบ้านถือบ้านได้อย่าไปหลงยึดบ้านว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราธรรมทั้งหลายทั้งปวงคืออะไรธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือสังขาร และไม่ใช่สังขารคือวิสังขารนี่ไงสังขารและวิสังขารเนี่ยสเพธธรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาใช้คำว่าเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและม่ใช่สังขารคือวิสังขารเนี่ยพิลาพูดเรื่องไยคือ ความที่มันปรุงแต่งที่กระเพื่อมที่ไหวตัวได้และวิสังขารคือความไม่ไหวตัวไม่ปรากฏอะไรเลยเปรียบได้กับเป็นความว่างของจักรวาลไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานี่ยพุทธพธลดองรับเนี่ยไม่ใช่เราไปยึดเอาสังขารเนี่ย เป็นตัวเราเราก็สังขารทั้งวันคิดตึกปุกป้วงปุกแต่งปุงแต่งปุกแต่งปุกแต่งคิดตึกมีอารมณ์คิดตึกเอาเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปคิดตึกตึกองปุกแต่งทั้งวันเนี่ยคือหลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารเอาพอท่านฟังฟังฟังฟังฟังเราทีไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ทําอยู่เรื่อยๆคือพยายามจะทําให้ตัวเราบันวางปึ๊บไปเป็นหนิจเกียวจักรวาลเนี่ยโอชอบทําแบบนี้ประจำประจำไม่ให้ไปเป็นสังขารก็เอามาเป็นนิสังขารคือ มาทำความรู้สึกเราอยู่ๆก็ให้มันว่าง๊ไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาลเราก็บอกโอ้อย่าทำแบบนี้มันผิดแล้วโอก็ทําอยู่บ่อยเลยแล้วตอนหลังก็ไม่ทําแต่ก็ความรู้สึกในใจก็ยังแอบแฝงอยู่อย่างนั้นตลอดเราจนถึงเมื่อวานก็ยังแอบแฝงว่าเราเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือวิสังขารแล้วก็ไปสร้างวิสังขารเป็นตัวเราไว้มันก็ผิด อ, อีกเพราะสัพเพธรรมาอนตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารคือวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเลยเทียบได้กับความว่างของจักรวาลส่วนสังขารก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงนีง่ในจักรวาลนี่แหละมันต้งลอยไปลอยมาหมุนไปหมุนมาทั้งโลกดวงดาวดวงจนันทร์ดวงอาทิตย์อุ ก, กาบาต ท, ทั้งพวกเราทั้งหมดลยสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนผิวโลกล้วนแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหมด เหลือไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวคือความว่างเปล่าของจักรวาลภายในใจเราก็เหมือนกันในใจเราก็มีส่วนที่ไม่ส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตลอดเวลากับส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือใจที่เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลแต่ไม่ว่าความว่างหรือความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในใจเรารวมทั้งใจที่เป็นความว่างและความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา อย่าไปหลงยึดบ้านเอาสังขารและวิสังขารเนี่ยคือทั้งใจและความรู้สึกแนวคิดอารมณ์ที่มันปรุงแต่งกับใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแต่ก็รู้รู้อยู่อย่างเงี้ยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปยึดอะไรเรียกว่ารู้พ้นรู้พ้นคือไม่ใช่ไปจ่อรู้อะไรไว้ได้แต่ว่าปัดนี้รู้พ้นแล้ว การเวียนว่ายตายเกิดจบสิ้นแล้วพบนี้เป็นพบชาติสุดท้ายการเวียว่ยตายเกิดไม่มีรู้พ้นคือผลจากทุกข์แล้วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพ้จากกิเลสตัณหาเพราะไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีใครไปไปมีกิเลสตัณหาถ้ายังมีผู้ยึดก็จะไม่มกิเลสตัณหาอมา่ แปลกนะครับหลวงตาคือเหมือนทฤษฎีนี้มันก็ไม่ยากนะครับแต่ทําไมผมฟังหลวงตามาตั้งนานผมไม่เคยเข้าใจเลยครับจะสิบปีแล้วครับ <c oughs> ผมจำได้ว่าหลวงตาเคยเทศอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะฮะแต่มันไม่ไม่เข้าใจไม่แค่สมมุตินะฮะยังไม่เข้าใจเลยครับหลวงตาไม่ทราบว่ามันทําไมมันเป็นอย่างนี้ยครับหลวงตาคือ อย่างคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยครับแล้วมันก็จะเข้าใจใช่ไหมครับหลวงตาหรือว่ายังไงครับมันเป็นเป็นขั้นเข้าใจกับใจมันเป็นอย่างที่เข้าใจาขั้นอือครับคือมันเป็นขั้นเข้าใจแล้วก็ใจอ่ะมันเป็นจริงอย่างที่เข้าใจคือผมไม่แน่ใจว่าทําไมผมฟังมาตั้งนานแล้วมันไม่ยอมเข้าใจได้เลยล่ะครับหลวงตาคือของท่านนี่มันยังไอไอความเข้าใจเนี่ยมันยังคั้นเคลื่อนไปเลยอะ่ะเขาเรียกว่า มันไม่ใช่ว่าเข้าใจถูกต้องหมดแล้วแล oh. ้วก็ให้ใจเนี่ยปฏิบัติ labels, <gorilla fruit> ให้ใจมันเป็นจริงอย่างที่เข้าใจอย่าไปยึดอะไรปล่อยวางไปหมดสิ้นมันก็จะเป็นจริงอย่างที่เข้าใจแต่ท่านเนี่ยมันไม่เขายังไม่เข้าใจซะก่อนแล้วเนี่ยท่านไปไปท่านตอนแรกแรกเอปหลงเอาสังขารเป็นตัวเราไปปรพรุงแต่งเอาเราไปคิดต้นคิดตีคิดต้นคิดตีทั้งวันท่านวิเคราะห์วิจารวิจัยพยายามจะเก็บรวบรวมก็ก็จะให้มากที่สุดท่านเข้าใจว่าถ้าท่านเก็บรวบรวมก็ก็จะให้มากที่สุดเท่าไหร่นะท่านก็จะ ยิ่รู้มากเห็นมากไปเรื่อยๆแต่ความจริงท่านกระหลงเอาสังขารไปมากไปเรื่อยๆเอาพอแล้วเสร็จแล้วก็ฟังฟังไปเอา้าเ อ, าเอา๊อย่างนั้นเป็นวิสังขารคือว่าไม่ปรุงแต่งเป็นเราแล้วท่านก็พยายามสร้างให้ตัวเราเป็นวิสังขารคือเอาตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งให้มันว่างๆไว้แล้วไปรู้กริยาการที่มันมันปรุงแต่งคือท่านพยายามมาอยู่ฝั่งนี้ท่านทําเหมือนสองสองฝั่งอะ่ะ คือท่านกระโดดข้ามน้ํามาอยู่ฝั่งฝั่งที่เป็นวิสังขารแล้วท่านเอาตัวท่านเนี่ยไปมองสังขารที่มันไวหวๆไหวๆแต่ท่านกลับมาเป็นเอาตัวท่านนะมาเป็นมาเป็นไอ้ฝั่งนี้จะแล้คือเป็นฝั่งของวิสังขารแล้วท่านก็ไปมองให้สังขารมันไหวๆอยู่ฝั่งนู้นอ้าวเดี๋ยวท่านก็กระโดดข้ามฝั่งไปไปอยู่ฝั่งที่เป็นสังขารอีกแล้ว ไปคิดไปพิเคราะห์วิจารวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลทำความเข้าใจต้องเก็บให้มากผมต้องเก็บไปมากแกรู้เดี๋ยวถ้าก็เเดี๋ยววันนี้รู้นั่นเดี๋ยวไว้ไม่เอาละมาถามเรารู้นู่นอีกเพิ่มขึ้นเดี๋ยววันนี้ก็รู้นู่นเฮ้ยความรู้ของท่านมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่ท่านกระโดดข้ามมาอยู่ฝั่งสังขารแล้วเดี๋ยววันดีขึ้นดีท่านก็กระโดดข้ามมาอยู่ฝั่งวิสังขารแล้วท่านก็มาเป็นวิสังขารแล้วท่านก็ไปมองไอ้ไอ้ความไไหวไหวของจิตคือท no ่านมาจับความว่างไว้แล <c asing> ้วมองความไหวววด้ยใจที่่่าางปล หลายคนทําอย่างเนี้ยคือมามองความไหวๆด้วยใจที่ว่างเปล่าคือเอาความว่างเปล่าเป็นตัวเราแล้วไปมองความไหวไวๆมันไม่ได้ทิ้งใจที่ว่างเปล่าคือทิ้งคือไม่ไปยึดเอาใจที่ว่างเปล่าเป็นตัวเราแล้วก็ไม่ไปยึดไอ้ทั้งสังขารเป็ น, ต, นปตัวเราคือไม่หลงกระโดดข้ามฝั่งมาเป็นสังขารไม่กระโดดข้ามฝั่งมาเป็นยึดยึดต่างาๆคือถ้าไม่ยึดสองฝั่งปุ๊บ ก็เป็นสัพเพตมาอนัตตา้วยคือไม่ไปยึดเอาสังขารและวีสังขารเป็นเราเป็นตัวเราและตัวตนของเราครับสัพเพตมาอนัตตาทาไมอะวลีรคสองวรรคแรกใช้สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นไหมเพราะว่าความไม่เที่ยงมีแต่สังขารสัพเพสังขาราทุกขา สังขารทั้งหลายทั้งปวง bitcoin, เป็นทุกข์มันทนอยู่สาภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, ตยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไมีแล้วหายไปพนอยู่สาภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะทนอยู่สาภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยทุกขงัง <wi> เนี่ยคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงจะให้บังคับให้มันทนอยู่สภาพเดิมเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่าทุกข์ังเพราะถึงอนัตตาเนี่สัพเพ昙มาอนัตตา อ๋อไม่เห็นว่าสัเพตัวแรกสุีสัเพสังฆรานิจจาสัเพสังฆราทุกขาทำไมอันที่สามวลีที่สามสัเพสังาราอนัตตาล่ะทำไมไม่พอวลีที่สามบอกสัเพสังฆราอนัตตาเพราะอนัตตากลับไปใช้สัเพธรรมานัตตาอันแรกเฉพาะสังขารที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะสังขารที่เป็นทุกขังคือมันไม่ทนอยู่สภาพเดิมไว้ได้มันเป็นทุกข์ก็ต้องบีบครับถูกบีบบังคับถูกบีบขันให้กลับคืนไปจุด ความไม่มีอะไรจากมีอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงมาเป็นความไม่มีอะไรยเยอะด้วเพราะมันปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บจากความไม่มีอะไรแล้วมันก็เลยต้องบีบบังคับให้เสื่อมกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรคุณดูดิเจดีเนี่ยทํำในกิ่หินปูนทรายอาคารหลังนี้กิ่หินปูนทรายเดิมมันไม่ได้สร้างมันขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาปุ๊บถูกสภาพทุบบีบคั้นเลยคือทุบหรือทุกขังบีบคั้นคือมัน บีบังคับให้ต้องเสือเส่อมเสื่อมเสืมแล้วที่สุดก็ผูกฟางสลายไปก็คือเป็นสู่ควาไม่มีเจดีย์ไม่มีตลาอย่างเงี้ยโลกคิวโลกเนี่ยเคยสร้างเจดีย์เคยสร้างวัดเคยมีรถเนี่ยสร้างมากี่คันแล้วเคยมีคนเคยเคยมีจัดในทุกที่เนี่ยมีบ้านเป็นกลาบ้านช่องมาหมดแล้วทุกพื้นที่เนี่ยแต่มันกลายเป็นทะเลทรายกลายเป็นที่ว่างไปหลายพบหลายชาติที่เราเกิดมาก็ไม่เจอบ้านม่เจอตรงนี้ไม่เจอเมืองนู้นแต่เขามาชี้ว่าตรงนี้เคยเดิมเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ ตรงนี้เคยเป็นเมืองนู้นเกิดเป็นเมืองนี้แต่มันไปที่อินเดียเห็นไหมแม่น้ำมันยังหายไปเลยเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากกรุงพหลาณศสีกรุงราชกุลมันหายไปไหนหมดแล้วไม่มีเหลือเลยไหนบอกว่ากรุงที่ยิ่งใหญ่มากเลยไม่เหลือเลยดูซิไหนอะกรุงรัชกุลกรุงพหลาณนสีอเมืองพุทธเจ้าหายไปไหนหมดแล้วไปในเมืองพุทธเจ้าที่เขาเพิ่งค้นพบเนี่ยเอ กุกบิรพัทเนี่ยดิเขาคงพัดกูบกบิรพัทไปกูกบิรพัทไม่แต่ป่าเพราะอะไรคุณลองสร้างลองปรุงแต่งอะไรขึ้นมาจากธรรมชาติสิเดิมธรรมชาติมันมีสิ่งนั้นพอคุณปรุงขึ้นมานี่นแนะมันถูกสภาพทุกบีบคั้นบระครับให้กลับคืนไปสูงความไม่มีเมืนเดิมเพราเรียกว่าต้องเสื่อมไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเป็นคนเรียบ เหลือสัตว์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่คือสภาพที่ทรงเสื่อมเสื่อมและผุพังสลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตเนี่ยคือทุกสเพรยสังาราอิจจาสเพรย์สังฆราทุกขาเนี่ยทุกขาหรือทุกขังเนี่ยคือทุกในเองเก็ใส่กระันเข้ามาท้ออุปปุกข้อขายกระรันพอใส่ก็เป็นทุกขาหรือว่าทุกขังเนี่ยมันก็เลยเป็นสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลง คน อ, อยูสภาพเลยไม่ได้คุณสร้างอะไรขึ้นมาคุณปรุงแต่งอะไรมามันต้องเปลี่ยนไปเขาจึงใช้คําว่าสัพเพสังฆราอานิจา่าสัพเพสังาราทุกขาเนี่ยไอ้ทีต้องบีบบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยต้องเสื่อมไปก็มีเฉพาะสังขารเท่านั้นพอถึงวิสังขารเขาใช้สัพเพธรรมานาตาเพราะวิสังขารเนี่ยไม่ตกอยู่ใต้กฎของอานิจจังไม่ตกอยู่ใต้กฎที่ต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง เพราะตัวมันเป็นความไม่เปลี่ยนไม่มีไม่ปรากฏความปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรมันก็เลยถูกบังคับให้ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ให้มันสภาพเสื่อมไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรให้ให้เปลี่ยนแปลงให้เสื่อมดังสเปธมาอณาตามันเลยรวมทั้งสังขารและวิสังขารแต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยิดบ้านถือม้านว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเี้เราเลยไม่ใช่ว่า เราก็โดดข้ามฝั่งนะ้ํามาอยู่ฝั่งฝั่งที่ว่างๆสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราไปคอยดูจิตที่มันไหวๆเปลี่ยนแปลงหรือพอเราเผลอเราก็โดดข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเราก็เป็นคนเป็นสังขารที่คิดปุงปุงคิดคิ ด, คดปุงปุงคิดคิดปุงปรุงคิดอพอรู้สึกตัวกระโดดข้ามมาฝั่งที่ไม่ปุงแต่ไปดูจิตที่มันปรุงไหว ๆ, ๆแต่เราไม่ได้อยู่กับผู้รู้สัตว์วรู้ว่ า, วาธรรมชาติเขาบีบอย่างนี้เนะี่ยเป็นของคู่กันโดยแท้จริงเป็น ธรรมชาติที่เป็นสังขารและมีสังขารอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดการเปรียบเหมือนจั ก, กรวาลความว่างเปล่าของจักรวาล น, นี้มีอยู่หนึ่งเดียวแต่ทุกสรรพสิง่งนอกนั้นล้วนเคลื่อนไหวเป็นสังขารทั้งหมดความไม่สังขารทีสังขารเปรียบเหมือนเป็นความว่างจักรวาลส่วนนอกเหนือจากความว่างจักรวาลแล้วเป็นสังขารพุงแตกทั้งหมดไม่เที่ยงตกอยู่ใต้ไม่เที่ย ง, ย เ, ยงเป็นทุ ก, ท, กทุกขังทุกขาเนี้ แต่ทั้งความว่ า, าวงเปล่าจักราวาลและความปรุงแต่งที่ลอยไปลอยมาทั้งโลกดวงจันทร์ดวงดาวดวงทิศแล้วพวกเราทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้รวมเป็นสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรารวมทั้งร่างกายนี้ด้วยและความรู้สึกเมื่คิดอารมณ์นี้ด้วยที่เราเนี่ยตัวเราที่เป็นร่างกายนั่งอยู่และความรู้สึกเมื่คิดอารมณ์ของตัวเราเองก็เป็นสังคานที่ไม่เที่ยงและ ที่สุดมันก็รวมทั้งอนาตาดยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะในอนาตามันรวมทั้งสังขารและวิสังขารทั้งความว่างใจที่ว่างก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใจเราไม่ใช่ใจของเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือใจนั้นใจนั้นคือตัวเราความเข้าใจถึงที่สุดเนี่ยมันจะพาเราไปถึงใจที่เป็นเป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจ แล้วเราจะเอาใจเราเนี่ยไปเป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจได้อย่างไรเพราะว่าใจเราจะเป็นจริงอย่างมันก็ต้องเป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจนี่แน่ก็ถ้าเราเข้าใจผิดแล้วแลน่ใจมันจะไปเป็นจริงอย่างที่ที่เข้าใจถูกได้ไงเหมือนคุณจะเดินทางจากกรุงเทพมาที่วัดตำซับมืดเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเส้นทางที่ถูกต้องแล้วอ่าในขั้นเข้าใจ GPS บางคนเมืวางในถามเราว่าจะมาอย่างไงเราบอกให้ดูแผนที่ใน Google ดูแผนที่ในในที่เขาทำในในเว็บไซต์เยอะแยะไปอย่างเนี้ยโดเฉพาะ e a s y d a m a c o m หรือปัจจุบันเราทธรรมะานวที่เราทำไว้ก็ก็มีคนก็ดูแผนที่พอดูแผนที่ปุ๊บเข้าใจชัดเจนในเส้นทางที่มาว่าโอจากกรุงเทพต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้ตรงเลียวนั้นเลี้ยนี้อันนี้เขาเข้าใจในแผนที่เข้าใจระบบถูกต้องก็เหมือนกับเข้าใจความเข้าใจที่เราพูดแต่ถูกต้องมาแล้ว ตอนนี้ที่เหลือลงมือเดินทางปฏิบัติทําความเข้าใจปล่อยวางทั้งสังขารและวิสังขารตลอดเวลานั่นคือแผนที่เขาให้ปล่อยวางเขาไม่ได้ยึดเงี้ยแผนที่เดี๋ยวให้ปล่อยวางเจนว่าวิสังขารให้ปล่อยวางวิสังขารทั้งไอสังขารให้ปล่อยวางกับเพริฒธรรมาอนาตตาสังขารคือร่างกาย จ, จิตใจเห็นไหม และลูปธรรมนามาทำรูปเวทนาตยาสังขารวิญญาณและวิสังขารคือความไม่ไม่ไปสังขารองไรไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิใจและไม่สังขารจิตใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราให้ปล่อยวางไว้เสียหมดสิ้นเพราะแผนที่เหมือนกับจากกรุงเทพมาถึงวัฒนธรมซอมเอเนี่ยคือแผนที่ให้ปล่อยวางอย่างเดียวคือความนทุกข์ให้ปล่อยวางไปวางปล่อยวางไปล่วางนั้นเมื่อเข้าใจแผนที่ว่ามันได้ปล่อยวางอย่างเดียววิธีปฏิบัติก็คือนับแต่เนี้ยคือ วางเดี๋ยวเนี้ยวางหมดเดี๋ยวนี้ก็ใจก็เป็นอย่างแผนที่แต่แผนที่เป็นอย่างเวลาชีวิตพอไปอยู่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเป็นอีกอย่างในแผนที่การเดินทางบอกว่าให้ปล่อยวางทั้งสังขารคือร่างกายและจิตใจคือ ความรู้สึกคิดคิดอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางแม้แต่วิสังขารคือใจที่ว่างเปลา่าแต่เวลาชีวิตประจำวันเป็นยังไงรู้ไหมหยุดหมดเลยแผนที่การเดินทางให้ปล่อยวางหมดตั้งแต่สังขารสังขารสังขารกายสังขารจิตและที่สุดปล่อยวางแม้แต่วิสังขารแต่เดินทางในชีวิตประจำวัน่ะจําแผนที่ได้หมดอะ แล้วทำไมบอกว่าทําไมปฏิบตัติมันไม่ไม่ได้มันไม่ชัดเจนนาทีเลยก็เพราะว่าในแผนที่ก็ให้ปล่อยวางวาอย่างหยาบก่อนคือสังขารกายและปล่อยวางสังขารจิตเวินาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางวิสังขารใจที่ว่างเปล่าปล่อยวางหมดเลยแต่ยึดหมดเลยชี่ประจําวันอย่างเียวยึดยึดยึจะเอายาเดียวจะเอาจะเอากูจะเอากูจะเอาอาอกมาถึงสามเอ๊ถ้าทำอย่างนี้จะได้กันใช่ไหม ถ้าปล่อยวางหมดน้ำจะได้ใช่ไหมันมีแต่จะได้จะได้จะได้ถามทุกคนมีแต่จะได้เออถ้าถ้าปฏิบัติตรงได้อย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วมันจะมันจะได้อย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้อย่างนั้นใช่ไหมมันจะได้มีแต่จะได้นะลองอ่านใจเราดูดิเราปล่อยวางเราจะเอาเมื่อกี้ที่เราพยายามพูดให้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเดี๋ยวนี้ปล่อยวางในปัจจุบันนี้ปล่อยวาง รู้อะไรแล้วปล่อยวางรู้อะไรแล้วปล่อยวางปล่อยวางเราพยายามพูดได้ปล่อยวางให้ไปสู่ทับเทธรรมะอันตายคือให้ใจเราเนี่ยให้มันคล้อยตามในการปล่อยวางไปสู่แผนที่การเดินทางถึง่ความปล่อยวางที่เป็นที่สุดแห่งความสุขนี่เนี่ยเราเป็นคนบอกแผนที่ ตามที่อุตตมะเจ้าบอกไว้เราก็เอาแผนที่เนี่ยมาบอกพระท่านทั้งหลายเนี่ยว่าแผนที่ เ, เป็นอย่างเงี้ยให้โพระท่านชัดเจนในใจของพท่านแล้วท่านก็เพิ่งาการปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันไม่ยึดไม่เอาอะไรเปอย่งางเดียวไม่ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ปรารถนาสิ่งใด น, นั่นแน่นัแนคือสัพเพตมาอนณตาไม่ไยึดอะไรไม่เอาเลยเพื่อไปสู่ธรรมนี่ไง ประเภทธรรมะตาทำาา ท, ทำั้งหลายทั้งปวงก็มายึดบ้านถือบ้านในแต่ทำนั่นเองอะ่ะก็มาแห่งยึดบ้านถือบ้านเอเมนกายเครื่องมือที่ใช้เดินทางที่ไปสู่มรรผลนิพพานคือมีแค่สติปัฏฐานสี่นี้เท่านั้นกายเวทนาจิตธรรมนอกจากนี้ทางเดินนอกจากนี้ไม่สามารถรบรรลุมรรผลนิพพานได้ ต้องพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมคุณจเห็นว่าสามหมวดเนี่ยกายเวทนาจิตสัพเพสังขาราอนิจาหมดเลยเพราะว่า อ, อะไรกายก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาเมื่อกี้ที่บอกว่านั่งๆแล้วมันเจ็บแค่เจ็บขาปวดแค่ปวดขาเวทนาหมวดเวทนาหมวดที่สองก็เป็นสังขารนะพรามันเปสิ่งปรุงแต่งนะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปก็ไม่เที่ย ง, ย, ง ย, ยึดมั่นถือมัน่นไม่ได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่น เอากายซะก่อนก็เป็นของไปเที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผูพังสลายไปอย่าไปหลงยึดบ้่นถือบ้านออาหมวดที่สองเวทนาเอาเวทนาที่เป็นนามะขันมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปมันเป็นสังขารขันไอ้เมื่อกี้กายอย่าสังขารก็เป็นสังขารกายตอนนี้เอาเวทนาเวทนามันเป็นมันเป็นขันที่สองคือเป็นนามะขันแต่มันก็เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่ง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปอะไม่เที่ยงยึดบ้านถึงมัานไม่ได้พอหมวดที่สามจิตเอ่ไหสติปัญญานมีสี่หมวดเนี่ยกายเวทนาจิตเพราะจิตก็คือความคิดกับอารมณ์อความคิดกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราเอก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั่นแหลทั้งหมดนั่นรวมเลยความรู้สึกนกคิดอารมณ์ไอความรู้สึกก็เป็น เ, เวทนาเสแล้วเวทนาในความคิดกับอารมณ์ สัญญาด้วยความจําได้ไม่รู้ไอ้คือความคิดมันเอาความจํามาเนี่ยแหละความจําได้ไม่รู้ความคิดอารมณ์นี่ก็หมวดจิตอ้าวไอ้นี้จิตนี่ก็บ่อยอยู่ถ้ามันสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอเป็นสังขารไม่เที่ยงมันก็ตกอยู่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขารานัตตาด้วยเพราะว่าสังขารเนี่ยมันรวมสามบรเลยสามสามเลยคือสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขา และในอนัตตาเนี่ยมันมีทั้งสังขารและ ว, วิสังขารนั้นสเพสังขารามันเป็นอนัตตาด้วยแต่พอทํามานเนี่ยไหมหมวดที่สี่เนี่ยธรรมะสเพธรรมาอนัตตาแม้แต่หมวดที่สี่กายเวทนาจิตเป็นสังขารเลยเพราหมวดที่สี่สเพธรรมาอนัตตาคือสังขารทั้งหมด่ทุกหมวดเนี่ยรวมทั้งเนี่ยวิสังขารน่ะซึ่งเป็นธรรมทั้งหมดเลยธรรมทั้งหมด คือสัพเพ昙มาอนัตตาทำทั้งหมดเลยทำทั้งหมดทั้งวิสังขารกายเวทนาจิตเนี่ยมาแล้วสติปัฏฐานสี่มาสามบทพอถึงสัพเพ昙มาเนี่ยสังขารทั้งมวลเนี่ยและวิสังขารเนี่ยทำทั้งมวลรวมไปทำทั้งมวลไม่อาจยึดบั่นถือม้านอย่าไปหลงยึดบั่นถือบ้านว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยสรุปแล้วทางเดินสูม่มาผลนิพพานเนี่ย ไม่พ้นจากสติปัฏฐานสี่นี้แต่สติปัฏฐานสี่นี่ยคืออะไรให้ปล่อยวางหมดไม่ใชใ่รู้อะไรนะรู้เพื่อปล่อยวางอย่างเดียวเลยไม่ใช่ว่าให้รู้แล้วเก็บเอาไว้ให้รู้แล้วเอาอย่าง ท, ที่ท่านเนี่ยจะปฏิบัตริรู้แล้วเก็บเอาไว้รู้แล้วเอารู้เพื่อให้ปล่อย ร, รู้ว่าเนี่ยที่เราเรียนรู้เพื่อทําำข้อก้าใจที่เราพูดเนี่ยเพื่อให้มาทําำข้อก้าใจว่าโอ้ต้องปล่อยวางไว้ไม่ได้ไว้ถ้าไม่ปล่อยวางมัน มันยึดหมดมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าไม่เข้าหลักนี่เลยปฏิปฐานสี่ทั้งหมด่มันเพื่อปล่อยวางเพื่อให้รู้ปล่อยวางว่าจะว่ารู้เพื่อจะเอาไว้ให้เป็นอะไรถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าเข้าใจด้วยแล้วถ้าก็โอแล้วถ้าปฏิบัติตามอย่างที่เข้าใจที่ไม่ไม่ยึดอะไรเพื่อจะยึดอะไรปล่อยวางอย่างเดียวจ ะ, ยะไรปล่อยวางอย่างเดียว ทั้งสังขารและวิสังขารปล่อยวางหมดใจว่างๆก็มายึดไม่เอาอเลยสักอย่างเลยอันนี้ถ้าก็เดินทางแน่วเลยอย่างเงี้ยไม่นานนะเรว่าเดินทางแล้วแต่วาสนธบารมีของแต่ละคนที่สะสมในการประพฤติปฏิบัติมาหลายภบหลายชาติจะตึงในชาติเองแล้ว แ, แต่ซึง่งเราเองและพวกท่านก็ต้องเดินทางอมแบบนี้เราก็เดินตามแบบที่พวกท่านก็ต้องเดินตามแบบนี้พระเจ้า ก็เดินทางโอก็เดินทางอย่างนี้แล้วมาสอนพวกเราทั้งหมดเดินทางแบบนี้พระอานารยทั้งหลายก็เดินทางแบบนี้คิดแต่ว่าวาสนบาลาีของท่านท่านตระพฤติปฏิบัติมาหลายชาติแล้วเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยและเดินตามแนวที่ตรงทางแล้วท่านเลยแบบว่าเหลือปลายทางเล็กน้อยถ้าเกิดมาแบบนเป็นที่สุดเลยแต่พวกเรามบบว่าหลงทางมาเดีวเลี้ยกดคดเที่ยว หลงหลงทางต้องถามถามถามใหม่ํามใหม่เอาครถหลงห ล, ลงทางต้องถามใหม่ทํามใหมถึงตรงไหนเออหลงไปอีกแล้วเอ๊ะทำไมว่าเลยมันไม่เข้ามาตรงนี้ตะเทียนบางคนไปจากกรุงเทพมาสนนวิทภาพเลยไปนูนปน่นเลยเลยไปนู่นแล้วก็เอาไม่เข้าตรประตูปากช่องแล้วไม่เห็นนะประตูปากช่องอยู่ตรงไหนแต่ยประตูเข้าทางอำเภอปากช่องเข้าถนนวิทภาพแล้วไม่เลี้ยวตรงไปเลยเนี่ยตรงออกไปถึงนู่นเนี่ยแต่บางคนเลยไกลหลงไกลนู่น ตอนนี้ถึงไหนแล้วล่ะถึงสี่คิวโอ้โหบางคนเลยไปถึงนู่นเนี่ยถึงอะไรนอนนอนสูงสูงนอนนู่นเโอ้โหไปไกลมากเลยอย่างนั้นอ่ะเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะหลงทางไกลแต่ไม่ใช่ว่าไม่เดินทางเลยนะเออถ้าไม่เคยเดินทางท่าไนคงมานั่งฟังอย่างนี้นะแต่มันคงจะเดินทางหลงห ล, ลงไปหลงทางไปใครแล้วแต่ใครหลงใกล้บางคนบอกว่าหลงแล้วมาถามอราใกล้ๆนีเอออย่างนีน้มันก็ใกล้แล้วพวกที่มันช้าเนวต่างกันกับตรงนี้เนะ่ะที่ว่า ไม่ใช่ไม่เคยในช่านม่านยังไม่ใช่พูดเดินทางไม่ท่านเดินทางมาแล้วแต่ว่มามันแล้วแต่ว่ายังหลงไปไกลหลงใกล้บางคนมันหลงมันมันหลงตงุ๊ใกล้ๆนี่เองมันใกล้ๆถึงวัดแต่ยังหลงเออตรองไหนวนๆอยู่ในปากช่องหาทางเลี้ยวให้เจอเออไอ้อย่างนี้มันก็ไกล้เข้ามาอย่างนี้ไม่เคยมาไหมเนี่ยลองลองนะพจนเนี่ยอะไม่เคยทําไมมามาทีเดียวถูกเลยล่ะหลงไหมไม่หลงเลยโอ้โหอย่างนี้เดินทางแม่นเดินทางแม่นทีเดียวไม่หลง